สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตสาวกครั้งที่แปดเรื่องความเชื่อมีผู้ที่กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าไม่มีความเชื่ออย่างลึกซึ้งในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แล้วแล้วก็คนคนนั้นเป็นคนที่อ่อนแอคนคนนั้นเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ ผู้ที่จะทํางานเพื่อพระเจ้านั้นต้องไว้วางใจในพระองค์ผู้ที่เป็นคนสําคัญของพระเจ้าแท้จริงแล้วล้วนเป็นคนอ่อนแอที่เขาสามารถทําการใหญ่เพื่อพระเจ้าเพราะว่าเขาเชื่อเพราะว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาพี่น้องครับถ้าไม่มีความเชื่ออย่างลึกซึ้งในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราก็ทําอะไรไม่ได้แม้ว่าเราจะเข้มแข็ง แม้ว่าเราจะยิ่งใหญ่เพียงใดความเชื่อที่ผมกําลังพูดนี้เป็นความเชื่อที่เริ่มต้นจากความเชื่อศรัทธาความเชื่อแบบไว้วางใจและความเชื่อที่นําไปสู่การเชื่อฟังการปฏิบัติความเชื่อนี้ครับเราเรียกว่าเป็นความเชื่อที่แท้ความเชื่อที่แท้นั้นต้องมีพัฒนาการครับพัฒนาการจากความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า พัฒนาไปถึงความเชื่อไว้วังใจที่พระเจ้าจะทรงนําชีวิตของเราและพัฒนาไปถึงความเชื่อที่เราจะต้องสำแดงออกด้วยการกระทําความเชื่อที่แท้นั้นพึ่งพระสัญญาของพระเจ้าพึ่งพระชนะของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเหตุนี้เราเองผู้เชื่อนั้นต้องอ่านนะครับต้องฟังพระสวดเสียงของพระเจ้าต้องเชื่อพึ่งพึ่งพาในพระสัญญาของพระเจ้า ต้องได้ยินพระสัญญาของพระเจ้าบ่อยๆพ้นญาณบริสุทธิ์พระองค์นั้นนําพระสัญญามาใช้กับเราครับด้วยวิธีการของพระองค์คริสเตียนเราทราบว่าพระวิญญาณตรัดกับเขาโดยตรงพระวิญญาณตัดกับเราทุกคนได้โดยตรงครับผ่านทางพชนะของพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐานผ่านทางการฟังพระสวดเสียงผ่านทางการเข้าพ่อพระเจ้า คริสเตียนั้นเรามีความมั่นใจนะครับในถ้อยคาของพระเจ้าผู้ให้สัญญาเราและพระองค์ทรงรักษาสัญญาครับพระองค์ทรงถือพระสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนคริสเตียนเรานั้นเชื่อว่าพระสัญญานั้นแน่นอนและเป็นจริงนะครับเป็นจริงราวกับว่าเป็นไปตามพระสัญญานั้นแล้วพี่รองครับคำคำนี้หรือประโยคนี้มีความสำคัญมากครับ ก็คือว่าถ้าเรามีความเชื่อนะครับเราก็จะมั่นใจในพัญญานะครับว่าพัญญานั้นเป็นไปตามนั้นแล้วแม้ว่ายังไม่เกิดขึ้นพี่น้องครับถ้าเป็นสัญญาของมนุษย์นะครับมันจะดูเหมือนเป็นไปได้ยากแต่ว่าถ้าเป็นพัญญาของพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้หมดครับพี่น้องครับหลายหครั้งทีเดียวในพระกัมภีนั้นเราพกว่า เป็นคำสั่งมากกว่าคำสัญญาเวลาที่อ่านพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าจงทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นคําสั่งครับดูเหมือนเป็นคําสั่งแต่ว่าในทุกๆคําสั่งนะครับก็มีพระสัญญาตามไปด้วยคนที่มีความเชื่อนะครับเขาจะเห็นว่าคําสั่งกับคําสัญญาไม่ต่างกันเลยครับถ้าพระเจ้าบัญชาให้ใครทําอะไรแล้วพระองค์ก็จะประทานกําลังให้เขาทําสิ่ง น, นั้นได้ ถพระองค์สั่งให้เปโตกเดินบนน้าได้เปโตกก็แน่ใจและมั่นใจได้ว่าเขาจะเดินบนน้ําได้ตามฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้ามอบให้ตามฤทธิ์อำนาจตามที่จําเป็นที่จะต้องมีด้วยพี่น้องครับถ้าพระเยซูทรงสั่งให้เราเทศนาพระกิตติคุณเราก็แน่ใจว่าพระองค์มีพระคุณมากเพียงพอที่เราจะใช้ ตามความจําเป็นตามความต้องการของเราในการประกาศพระคุณอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้พี่น้องครับเราต้องมั่นใจและมีความเชื่อครับในเรื่องของการรับใช้พระเจ้าแม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นหรือมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราต้องยึดมั่นอยู่ในการรับใช้เราต้องยึดมั่นอยู่ในความเชื่อของเราเพราะว่าพระเจ้าจะมีพระคุณมากเพียงพอที่เราจะผ่านการทดลองได้ผ่านการล่อลวงได้ ผ่านความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นได้ความเชื่อไม่ได้ทําอยู่ในขอบเขตครับไม่ได้ทําอยู่ในขอบเขตหมายความว่าความเชื่อ น, นั้นกระโดดข้ามขอบเขตของความเป็นไปได้เรียกว่า beyond possibility beyond all possibility นะครับเพราะงั้นความเชื่อ น, นั้นก็คืออยู่ตรงนั้นพระเจ้าย่อมไม่ได้รับเกียรติครับถ้าเราทําด้วยตัวเราเองแต่พระเจ้าจะรับเกียรติ นะครับเมื่อเราพึ่งพาพระองค์เมื่อเรามีความเชื่อเมื่อเราเริ่มหมดแรงหมดฤทธิ์อานาจความเชื่อเริ่มนะครับเริ่มเมื่อเหตุการณ์ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ความเชื่อเริ่มนะครับเมื่อเรามองอะไรไม่เห็นเราไม่ได้รู้สึกแต่ความเชื่อมันเริ่มได้เพราะฉะนั้นความเชื่อนั้นคือเรื่องของการที่ตามองไม่เห็นครับและเราไม่รู้สึกนะครับและ มือเหมือนเหตุการณ์ต่างๆนั้นเป็นไปไม่ได้ตรงนั่นแหละครับความเชื่อเกิดขึ้นพี่น้องครับมีคํากล่าวว่านะครับถ้าอุปสรรคเพียงประการเดียวคือเป็นไปไม่ได้นะครับสําหรับความเชื่อนั้นก็คือเป็นไปได้พี่น้องครับถ้าอุปสรรคนะครับคือการเป็นไปไม่ได้สําหรับความเชื่อนั้นตนข้ามครับก็คือเป็นไปได้อุปสรรคบอกเราครับว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความเชื aders, <ang det> <embaixo> ่อบอกเราว่า เป็นไปได้พี่น้องครับความเชื่อที่เราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นนะครับเราจึงไม่กลัวความทุกข์ยากลําบากครับความเชื่อนะครับทําให้เราหัวเราะได้ในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ทําให้เรามีความมั่นใจนะครับเพราะพระเจ้าจะทรงเป็นคําตอบแก่ปัญหาทุกประการ พระองค์จะเป็นข้อไขสำหรับความยุ่งยากทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับพระองค์ครับไม่ว่าเงินจำนวนมากน้อยขนาดไหนไม่ว่าปัญหาอุปสรรคนั้นจะยิ่งใหญ่หรือจิ๊บจ้อยเพียงใดพระองค์จะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เหมาะสมพอเพียงได้เพียงครับผมอยากจะยกตัวอย่าง อับประหัมกับซาร่าครับการที่ซาร่ากับอับระหัมจะมีลูกนะครับถามว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าพวกเขากันชรามากแล้วนะครับเก้าสิบ้อยนะครับในพระธรมพี่บอกว่าเมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นที่น่าไว้ใจก็ยังได้เชื่อไว้ใจมีความหวังว่าจะเป็นบิดาของหลายประชาชาติตามที่ได้ตรัสไว้ พีนงครับพะโอษณะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่สี่ข้อสิแปดทำให้เรารู้ว่าแม้ว่าดูเหมือนไม่มีหวังนะครับไม่มีหวังที่จะสำเร็จไม่มีหวังซึ่งจะเป็นที่น่าไว้ใจได้แต่ท่านก็ยังเชื่อและไว้วางใจครับเชื่อไว้ใจว่าจะเป็นบิดาของประชาชาติทั้งหลายในที่สุดนะครับเมื่ออับราฮัมอายุหนึ่งร้อยปีนะครับเมื่อคิดถึงคันของนางซาร่าว่าเป็นหมัน แต่ท่านก็ไม่ได้วันไหวคลางแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับว่าท่านไม่ได้วันไหวคลางแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าท่านยังมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นถวายเกียรติพระเจ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจกระทําให้สําเร็จตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้อันนี้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่สี่ข้อสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดนะครับในลูกาบทที่หนึ่งข้อสาสิบเจ็ดโปรเจนัสพระเจ้าก็ตรัสในทํานองเดียวกันนะครับว่า พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับพระองค์สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พรงทํทำได้อันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบท 1, 37, ท, าบที่หนึ่งข้อสามสิบเจดปฐมกาลบทที่สิบแปดข้อสิบสี่และลูกาบทที่สิบแปดข้อยี่สบเจ็ดเพียงคับผมจะอันเชิญพระเจของพระเจ้าครับให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้เป็นการสรุปนะครับ สามตอนด้วยกันก็คือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ลูกาบทที่หนึ่งข้อสามสิบเจ็ดครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับปฐมกาลบทที่สิบแปดข้สิบสี่ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสําหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสาหรับพระองค์และสุดท้ายครับลูกาบทที่สิบแปดข้อยี่สิบเจ็ดสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้ พระเจ้าทรงทําได้สิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้พระเจ้าทรงทําได้ลูกาบทที่สิบแปดขอยิบเจ็ดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรายึดมั่นในคําสัญญาขององค์พระเยซูคริสต์นะครับยึดมั่นในคําสัญญาขององค์พระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อเพื่อที่เราจะไปถึงจุดสูงสุดของความเชื่อนั่นคือการกระทําครับจุดสูงสุดของความเชื่อนี่คือการที่ มือของเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างออกมาปากของเราได้พูดบางสิ่งบางอย่างออกมา้าของเราได้เดินไปในสถานที่ที่ควรจะเป็นการประกาศพระกิติคุณนำข่าวประเสริฐความรอดของพระเจ้าไปถึงคนอีกมากมายนี่คือสิ่งต่างที่พระเจ้าต้องการให้เราทำโดยความเชื่ออามน